อ้าวนั่งประจําที่เดี๋ยวจะให้ผู้หมวดพรนานำไหว้พระสมาทานศีลห้าเพราะวันนี้เป็นวันลอยกระทงเป็นวันพระใหญ่วันเป็นวันสิ้นปีปีพุทธศักราช2558เนี่ยวันนี้เป็นวันสิ้นปีทางจันทรคติจันทรคติ คือเรานับตั้งแต่เดือน12เพนเดือน12บเพนไปถึงเดือน4เพนหมาแปลว่าฤดูหนาวจากนั้นเขาเข้าเขตฤดูร้อนก็คือเดือนสี่เพนจนถึงเดือน8ปดเพนแล้วก็เดือนแปเพนจนถึงเดือน12บสอเพนเป็นฤดูฝนวันนั้น3ามฤดู วันนี้เป็นวันสิ้นสิ้นแล้ดูฝนวันนี้เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นวันพระใหญ่เป็นวันลอยกระทงของพี่น้องประชาชนชาวไทยถือว่าเป็นวันสนุกสนานวันนี้วันเดือนสิบสองเพนเป็นวันลอยกระทงเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆท่านควรจะประกอบคุณงามความดี ในวันสิ้นปีหมดเขตฤดูฝนแปลว่ากรถินกรถินแปลว่าหมดเขตวันนี้นะเป็นหมดเขตกรถินแต่ว่าฝ่ายธรรมยุทธคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์วันพุธนี้เป็นวันหมดเขตกรถินทําไมพูดอย่างนั้นหลวงพ่อเพราะวันอุโบสถ ของพระสงฆ์ในวงธรรมยุทธ์ในวันวันพุ่งนี้เป็นวันอุโบสถของพระสงฆ์วันนี้ยังไม่ใช่พอท่านคำนวณคานวยคานวณจันทรคติบอกว่าวันพุ่งนี้เป็นวันเดือนเดือนเพนเป็นวันเดือนเพน ให้พวกเราสังเกตดูนะแต่วันนี้พระพระจันทร์พระจันทร์มันจะโผล่ขึ้นมาก่อนยังไม่ค่ํานะแต่วันพวกนี้พระจันทร์มันจะขึ้นพอเหมาะพอดีกับพระอาทิตย์พระอาทิตย์ตกดินพระจันทร์โผล่ขึ้นมาฮวันพวกนี้เพราะนั้นท่านจรียกว่าวันพวกนี้เป็นวันเดือนเพนเต็มดวง ประาทันถึงถือว่าวันพุ่งนี้เป็นวันพระอุโบสถของพระสงฆ์ลงอุโบสถวันพุ่งนี่นะพระพระสงฆ์ทั้งหลายวันพุ่งนี้ตอนเที่ยงนะและก็พร้อมกนันนะวันพุ่งนี้เป็นวันที่นักเรียนราชิีนูทิศจะเข้ามาจะเข้ามาวัดของเราประมาณหกร้อยหกร้อยคน ก็ให้ทางในครัวเตรียมพร้อมกูบาทั้งหลายเตรียมพร้อมนะก็คงจะมารับกันที่นี่แหละคงจะออกมาฉันวันพุ่นี้ก็คงออกมาฉันข้างนอกเลยนะที่ศาลาหลัางนี่แหละคนจะมามากลูกหลานก็จะมาแต่ไม่จริงเขาก็เคยมาทอดผ้าปานะเขาก็คงจะมาทัศนศึกษาของลูกหลานโรงเรียนลาชิโนเทศนะ ัรวบทั้งครูบาอาจารย์ด้วยประมาณหกร้อยกว่าคนก็มากพอุมควรอยู่สมาทานสีนาเตน่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิเลนะเนปุติงยียนติตัตมาสีหลังวิโสทาเยหลวงพ่อเองได้ออกจากวัดไป 2วันพี่น้องลูกหลานศรัทธาญาติโยมออกไปตั้งแต่วันที่22ไปที่นิคมคำสร้อยอำเภอมุกดาหารอำเภอนิคมคำส้อยจังหวัดมุกดาหารไปงานของโยมพี่ตาครบพออวันตายของเขา3ปีลูกหลานก็นจะทำบุญ พอเสร็จแล้วก็เมื่อวานก็เลยเป็นวันกระถินของครูบาเฉลิมคูบาฉลาดที่ทำกกสพอีกอยู่ในเขตนิคมหลวงพ่อก็เลยร อ, อทอดผ้ากระถินแต่เมื่อวานก็กระถินของวัดอ ทํากกสพุงศรัทธาญาติโจมรวบรวมคนได้เได้สามแสนมั้งสามแสนลงพ่อเอยสามแสนเอาอีกสักเอาลงพ่อให้อีกแสนหนึ่งเอาเงินวัดของเราณคณะศรัทธาญาติโจมนะสมทบเเพื่อสร้างวัดใหม่เัาแสนหนึ่งแล้วเท่าแกแห่งอีกโคราตเอาผมอีก สมทบอีกแสนหนึ่งครับก็เลยได้เงินห้าแสนหกหมื่นมั่งเมื่อวานเนี่ย เ, เงินกระทินนะจากนั้นหลวงพ่อพอเสร็จจากนั้นหลวงพ่อก็มากราบคารวะวัดหลวงผูจามเป็นหลวงอาเห็นเขากำลังจะสร้างพิพิธภัณฑ์อยู่หลวงพ่อก็ได้สมทบไปอีกหนึ่งแสนก็ไปข่าวนี้ไปวัดาใจา ทั้งกรถินจ่ายทั้งพิพิธภัณฑ์และก็มอบปัจจัยค่าโหงอาหารสาหรับคุณแม่ชีเอกปลาเข้าไปก่อนสองแสนกว่าเมาืนอกี้นะลูกหลานนะเงินวัดของพวกเราพวกเราอนุโมโอธนาหนะลวงพ่อไปที่ไหนมีแต่สงเคราะห์อนุเคราะห์ไปเรื่อยนี่แหละไม่ใช่ปัจจัยของหลวงพ่อหลวงพ่อจะไปได้ปัจจัยมาจากที่ไหนหลวงพ่อไม่ได้ไปทําการทํางาน มีแต่คณะศรัทธาญาติโยมนำมาถวายจงไหนที่จะเกิดประโยชน์หลวงพ่อก็เอาเอาจะตกปัจจัยไปาทาบุญให้เกิดประโยชน์ในพระพุทธศาสน า, าจงไหนที่มันเป็นหลุมเป็นบ่อก็เอาถมให้มันลาบเรียบถ้าว่าตรงไหนมันสูงอยู่แล้วเออเอาเป็นไปได้แล้วท่านก็เป็นไปได้แล้วไม่เป็นไร ที่ไหนมันตำอยู่เราก็ถมนี่แหละหลวงพ่อมองหาที่ตำที่มันจะที่จะให้มันเกิดประโยชน์ในพุทธศาสนาแต่เมื่อวานกลับมากลับมาถึงวัดก็ค่ำนะค่ำพอดีก็ไม่ถึงกับค่ำมากจากนั้นก็นเนี่ยนะเป็นวันโปรงผมอีกต่างหาก แล้วก็วันนี้เป็นวันพระวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบห้าวันที่ยี่สิบห้าพุทธจิกายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดวันนี้เป็นวันพระเทศกาลเป็นวันนักกษัตริย์สมัยก่อนในค้างพุทธกาลเป็นวันเดือนสิบสองเพนเป็นวันสิ้นปีเหมือนกับปีใหม่ เหมือนกับวันปีใหม่ของพวกเราวันที่หนึ่งมกราอย่างนั้นแหละสมัยก่อนเพราะคนสมัยก่อนเขาไม่มีไฟฟ้าไม่มีไฟฟ้าแสงสว่างก็ต้องอาศัยดวงเดือนเดือนมันพระ จ, จันทร์พระ จ, จันทร์วันเพนเดือนสิบสองเพนอากาศมันแจ่มเพราะอะไรไม่มีเมฆหมอกเพราะนั้นเขาจึงเป็นวัน เที่ยวสนุกสนานใช้พระจันทร์เป็นแสงสว่างคนในยุคสมัยโบราณเขาบอกเป็นวันนั ก, กษัตย์เป็นวันที่สนุกสนานของพี่น้องประชาชนในยุคสมัยนั้นแต่ทุกวันนีมันเปลี่ยนไปเรื่อยเขาไม่ได้อาศัยแสงพระจันทนระ์นทุกวันเลยเขาทำแสงสว่างขึ้นมาเองเอาสว่างขนาดไหนก็ได้ไม่เหมือนสมัยก่อน นี่ะบาทเมืองมันยุคมันเปลี่ยนไปแต่ถึงยังไงก็ตามนะพวกเราท่านทั้งหลายเกิดมาในพระพุทธศาสนาเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยแต่ถึงยังไงก็ให้ประกอบคุณงามความดีสิ่งไหนที่มันไม่ดีรู้แก่ใจแล้วอย่าอย่าคิดอย่าทำในเรื่องนั้นในบาทเมืองยุคนี้สมัยนี้เป็นยังไง เขาต้องการความสงบต้องการในความเงียบแล้วก็เงียบไปก่อนอย่าไปกระโตกกระตากอย่าไปทําเรื่องราวทาให้มันยุ่งเหยิงวุ่นวายเว้นเสียแต่มันเกินไปเราก็เออเอาท้วงติงไปตามภาสีภาษาที่พอจะท้วงติงได้แต่ถึงอย่างไงก็ตามก็ให้อยู่ในความสงบไว้ละดีเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีความอดทน ถ้าถ้าหากว่ามีความอดทนไว้สักพักต่อไปมันก็คงจะเป็นไปได้ในเหมือนเหมือนกับในครอบครัวของเราในวัดของเราหรือในท้องถิ่นของเราถ้าหากว่ามีตะกอเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายในชุมชนหรือวัดของเราก็เดือดร้อนเหมือนกันนะถ้าหากว่าอยู่ในความสงบเป็นไงสงบ แต่เว้นเสียแต่ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นกระตอดทวงติงไปหาหัวหน้าอย่างอย่างหลวงพ่อทวงติงมาหรือว่าผู้ใหญ่บ้านทวงติงว่อการกระทํเนี่ยไม่น่าจะถูกนะเมื่อผู้ใหญ่ได้รับรู้รับทราบผู้ใหญ่ก็ควรจะชําเหืองตาดูว่าเอมันเป็นยังไงมันทำให้เขาเกิดร้อนจริงไหม อันนี้ก็คือเนี่ยการอยู่ด้วยกันต้องลักษณะอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเรื่องนิดๆ น, น้อยๆกระโวกเวกโวยวายทำให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายก็ทำอย่างนั้นก็ไม่ดีเหมือนกันนะเพราะนั้นหลวงพ่อเองเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระอยู่ในป่าดงพงไพ่อยู่ในป่าหลวงพ่อเนี่ยสิ่งไหนที่มันไม่เกิดประโยชน์หรือว่าสิ่งไหนที่มันจะเรือต้อนถึ่งไหนมันจะเสียหาย หลวงพ่อเนี่ยคิดและมองอีกเหมือนกันนะเพราะนั้นในพวกเราลูกหลานทุกคนเนอะต่างคนก็ต่างประกอบกุลงามความดีไม่ถึงร้อยปีต่างคนก็ต่างหนีจากโลกแล้วไม่มีใครที่จะครองโลกไปอยู่นานเท่านานแต่สิ่งไหนที่มันดีคิดดีทำดีพูดดีควรจะเอาความดีเข้ามาหากันเอาความดีเข้าสู่กันเอาความดีเข้ามา ประพฤติปฏิบัติต่อกันนั่นแหละโลกทั้งโลกจะร่มเย็นเป็นสุขแต่ถ้ามีแต่เอาเรื่องกิเลสโลกโลภโกรธหลงโมโลภโหโมกันะมีแต่เอากิเลสเข้ามาหากันโลกทั้งโลกก็จะเดือดร้อนวุ่นวายหาที่สงบสุขไม่ได้เพราะอลไรเพราะกิเลสมีแต่ทำให้โลกทั้งโลกเดือดร้อนทั้งนั้นแหละ มีแต่ทมเท่านั้นหละที่จะทำให้ร่มเย็นเป็นสุขเพราะนั้นพวกเราควรจะเอาธรรมธรรมะธรรมคำสอนธรรมะคือเหตุผลเอาหลักหลักเหตุผลมาปฏิบัติถ้าว่าเราพวกเาเอาหลักเหตุผลมาปฏิบัติแล้วนั่นแหละอยู่นสถานที่ใดถึงจะมากถึงจะน้อยก็สงบร่มเย็นเป็นสุขทั่วหน้า แต่ถ้าหากว่าเอากิเลสมาใส่กันขนาดอยู่สองคนก็ยังตาเขียวใส่กัน อ, กอีกเพราะเหตุไรเพราะมันเอากิเลสมาใส่กันทำพิษนิดๆหน่อยๆนานขวางหูขวา ง, วางตาไปหมดเพราะเหตุไรเพราะว่ากิเลสแต่ทําทำทําทอยู่ในจิตใจแล้วก็มันต้องมีเหตุมีผลมองกันในแง่เหตุแง่ผลอย่าไปมองกันในแง่ร้ายถ้ามองกันในแง่เหตุแง่งผลแล้ว ถึงจะอยู่มากอยู่น้อย อ, อมีเหตุมีผลในเรื่องนั้นนั้นถ้าไม่มีเหตุมีผลก็เอาว่ากาวตักเตือนกั น, กนมันก็มีเหมือนกันนะพอเหตุอะไรเพราะว่าคุกตารางนนะครับสร้างขึ้นมาขังคนชั่วนะเขาไม่ขังคนดีหรอกเขาขังคนที่ไม่ดีโดยมากคนทําผิดถ้าคนทําผิดก็เอาไปขังไว้างเป็นที่ กักขังคนที่มันไม่ดีคุกตลางเพราะนั้นคนเราที่อยู่ด้วยกันจะให้ดีทุกอย่างก็คงจะยากอีกเหมือนกันเพราะมันยังมีกิเลสมันมีขึ้นมีลงอยู่ถ้าหากถึงยังไงก็ตามการมีการยืดจุ่นต่อกันบางทีเราก็ขึ้นบางทีเขาก็ขึ้นบางทีเราก็ลงบางทีเขาก็ลงพราะมันอยู่ด้วยกันนานาจิตตังนานาทัศนะแต่ถึงยังไงก็ให้ยืดหุ่นต่อกัน ถ้าไม่เรือบากว่าแรงจริงๆถ้าเรือบากว่าแรงจริงๆเออนั่นก็ว่ากันไปตามกฎกติกากฎหมายบ้านเมืองมันมีอยู่แล้วนะแต่ถ้าหากว่าขนาดได้ขนาดหนึ่งน้นๆเน้นๆน้นนนอยๆกว่าอยวนกันให้อภัยกันทีเขาทีเรานี่แหละโลกทั้งโลกถ้าถ้าทำได้อย่างที่หลวงพ่อพูดนี่นะการอยู่ด้วยกันมากมายก็จะมีแต่ความสงบ มีแต่หาทางออกด้วยกันมีแต่เกื้อกูลหนุนกันอาใครทุกข์ยากลาบากพอจะช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันถ้าหากว่าคนที่มันสูงอยู่แล้วมีอยู่แล้วก็เออเอาพักไว้ก่อนเนี่ยแหละอย่างที่หลวงพ่อได้พูดที่วัดตรงไหนวัดที่ไหนอที่มันยังตําอยู่แล้วก็เอาช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์อถ้ามันมีดีอยู่แล้ว เ, เราก็เออเอา ท่านก็เดินไปได้เองนี่แหละการอยู่ด้วยกันมนุษย์ชาติอยู่ด้วยกันในยุคใดสมัยใดพวกเรามีเมตตาต่อกันมีน้ําใจต่อกันมีคมีความเอื้อเฟื้อเอื้ออารีต่อกันใช้ธรรมคําสอนใช้พระธรรมคือหลักเหตุผลมาปกครองมาอยู่ด้วยกันหลวงพ่อว่าสงบร่มเย็นเป็นสุขหนะ้าลูกหลานนะ ถ้าหอาว่าใช้กิเลสหั่มหันกันแล้วนะหาความสงบสุขไม่ได้รบหวาดลกแหวงกันเออมีแต่มองคนเป็นอริจัตรูกันทั้งหมดมองคนอื่นเป็นจัตรูของเราทั้งหมดเ อ, อเราต้องมองมองเหตุมองผลเ อ, อเมตตากันไม่ถึง100ร้อยปีต่างคนต่างไปต่างคนต่างตายแล้วถ้าล ะ, ละเลิกถึงไว้อยู่อย่างนี้หลวงพ่อว่าเ อ, อการอยู่ด้วยกันเ เพิ่งจะมากมากน้อยมากมายขนาดไหนก็เถอะมันยืดจุ่นต่อกันได้ทั้งนั้นแหละแต่ถ้าว่ามีต่กิเ้เดสเข้าหากันนี่อมันยากเหมือนกันนะเหือร้อนวุ่นวายนะโลกทุกวันเห็นไหมที่เรามองมอ ง, มองดูทางสื่อต่างๆมันโลกมันแคบแต่ประเทศไหนต่งประเทศไหนแจ้งข่าวกันมาเห็นเห็นแล้วโอ้ไม่น่าจู ทำไมโลกทั้งโลกทําไมจึงใช้กิเลสไม่ใช่ว่าความอดอยากเอาอดอยากก็อีกอย่างหนึ่งอันนี้ก็พออยู่พอกินพอเป็นพอไปอยู่แต่ว่าเรื่องทิฏฐิเนี่ยเทิฏฐิเพียงความเห็นเท่านั้นนะเออหน่าจะลดหย่อนความเห็นของตนเองลงบ้างจะให้โลกทั้งโลกเป็นแต่ตามแนวความคิดเห็นของตนเองน่ะมันจะได้หรือมันไม่ได้หรอกไม่ว่ายุคไหนสมัยใด น, นะถ้าว่า อยากจะให้โลกไปอย่างตนเองมันยากอยู่เห็นไหมสมัยคอมรสมัยคอมเมนขาวนั่นน ะ, ะถ้าคนไหนคนฉลาดเนี่ยฆ่าทิ้งหมดะจะตั้งโลกใหม่เอาคนโง่งๆสอนขึ้นมาใหม่อีกคิดได้อย่างไรเขาทําให้โลกโลกทั้งโลกเดือดร้อนโลกทั้งโลกเขาต้องการความต้องการคนฉลาด อคนฉลาดเฉลียวฉลาดปาดเปลืองจะก็ช่วยกันพัฒนาประเทศชาติมันจริงจะถูกจะ <c oughs> เอาแต่คนที่ไม่ได้รับการศื่อสาคนโง่โงมามาทําได้ยังไงมันคิดอีกยังไงเพราะนั้นการที่คนฉลาดมันก็ต้องธรรมดาแหละก็ต้องมีคนที่ฉลาดเราก็ต้องฉลาดกว่าเขาเองที่จะปกครองเขาได้ไม่ใช่ว่า แต่ว่าตามนั้จริงคนฉลาด เ, เขาต้องรู้รู้จักกาละเทศะการสถานที่บุคคลอีกเหมือนกันในเมื่อเขาต้องการความสงบตัวเองก็ไปทิ่มไปแทงทําให้เดือดร้อนวุ่นวายก็ไม่ได้ถ้าฉลาดต่อฉลาดด้วยกันก็ต้องรู้จักกาละเทศะการสถานที่ควรจะทํายังไงปฏิบัติ ต, ต่อกันอย่างไรอันนี้น่ยถ้าฉลาดด้วยธรรมะเป็นอย่างงั้นนะ ถ้าฉลาดกิเลสเนี่ยกิเลสฉลาดหรือไม่แหละใครเพียงพำมขึ้นมาก็เเยียบมันเลยอันนั้นฉลาดกิเลสเนียถ้าฉลาดรำหราอไม่พึ่งพาอาศัยพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันทีเขาทีเราแปลว่าฉลาดด้วยโดยธรรมถ้าฉลาดโดยกิเลสแล้วมันคนละแนวกันะนะคณะจะตไทยาตาิโยมลูกหลานนะเอาต่อนนี้ไปรับพร ส่งอนุโมทนาให้พร